โยมจะถ่ายรูปถ่ายถ่ายชนะตอนเทศอย่าถ่ายนะถ่ายรูปทีหนึ่งธรรมะหายไปหมดเพราะหลวงพ่อไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ให้สาสิบวินาทีพอแล้วนะพอแล้วเชิญธรรมะจริงๆนะเรียนไปเยอะพอสมควร เมื่อสองสัมวันนี้หลวงพ่อไปทางสุรินทร์บุรีรัมย์ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ยังบอกยยมบอกว่ามาเทศสารลาลุงชินปีกว่าๆญาติโ ย, ยมเปลี่ยนไปเยอะมาครั้งแรกๆเนี่ยนะมองไปทางไหนก็มืดๆนะเมื่อติดเพ่งติดอะไรอย่างเงี้ยจิตเข้าไปติดอยู่ข้างใน พอมาถึงวันนี้จิตใจเปิดโล่งออกมาสว่างสวัยขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนนะเวลามองไปคล้ายๆเราไปดูทองฟ้าจำลองนะะใจที่ตื่นขึ้นมาเป็นลำดับลำดับแต่ละคนฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยๆจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งมีความสุข ในโลกหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรจริงจังไม่ได้เราก็หาความสุขกับโลกโลกมานานความสุขของเราต้องยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพเรามาหัดศึกษาธรรมะใจเรามันมีที่พึ่งอยู่ในตัวเองมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองงั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องลำบากอะไรหัดฟังนะฟังแล้วก็หัดสังเกต กายสังเกตใจของเราบ่อยๆกายกับใจก็จะสอนธรรมะเราเองไม่มีอะไรหรอกง่ายง่ายจริงๆนะไม่ได้หลอกเด็กดอกแค่รู้สึกนี่คนทั้งโลกนะรู้สึกตัวไม่เป็นคนทั้งโลกตั้งแต่ตะเิดจนตายรวมทั้งสูงสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เกิดจนตายมันตื่นขึ้นมาเฉพาะตัว แต่จิตใจไม่เคยตื่นขึ้นมาจิตใจจะหลับจิตใจจะฝันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจะหนีไปอยู่ในโลกของความคิดคิดคิดไปเรื่อยๆเมื่อไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้เพราะความคิดมันปิดบงังความจริงไปสมดต์อย่างเราชอบคิดนะว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่ตายง่ายอะไรเนี้ยในความเป็นจริง ในร่างกายนี้มีการเกิดและมีการตายอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้สึกหรือจิตใจของเราเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเป็นขณะขณะอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้สึกรู้สึกไม่ได้เพราะว่าเราบวแต่คิดเราไปรู้เรื่องที่คิดขณะใดรู้เรื่องที่คิดนะเรื่องราวที่คิดเ้าเรียกว่าอารมณ์ปัญญ แต่การที่เรารู้กายรู้ใจนะตัวกายกับใจเาเรียกว่าอารมณ์ปรมัสนะ์อารมณ์ปรมัสต์นี่เป็นอารมณ์ของจริงนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจนะนานๆไปก็จะเห็นเลยมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้นะดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปจนใจยอมรับความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นของชั่วคราว พอเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวเราที่ถาวรสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆพอรู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดตัวเราหายไปเหลือแต่กายกับใจเหลือแต่รูปกับนามนะไม่มีตัวเรากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานี่พอหลุดออกจากโลกของความคิดได้ ถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดกายก็เป็นตัวเราจิตใจก็เป็นตัวเรานะเห็นว่ามีตัวเรามีตัวเราก็ต้องอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นจิตใจก็ต้องดิ้นรนนะทำงานดิ้นรนสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างบังคับกายบังคับใจบ้างนะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บ้างนะแล้วแต่สติปัญญาแต่ละคนนันเพราะว่าเราเห็นกายกับใจเป็นตัวเรา แต่ถ้าวันใดเราดูลงมานะเราเห็นนะกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวธรรมที่มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปเป็นคลาว์คลาลนะเห็นอย่างนี้นะไม่มีตัวเร า, นะาเห็นแค่สภาวธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะพวกเราจะหัดภาวนาเราต้องรู้เป้าหมายของการปฏิบัติของการภาวนา เป้าหมายแรกที่จะต้องไปให้ถึงคือการเป็นพระโสดาบันอย่าไปวาดภาพเอาเองว่าพระโสดาบันเป็นยังไงเราชอบวาดภาพเกินความจริงนะอย่างพระละหันในความรู้สึกของคนทั่วๆั่วไปในคล้คลายๆหุ่นยนต์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรอย่างเนี้ยนะหุ่นยนต์ใช่ไหมไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแล้วภาวนาแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์มันได้ประโยชน์อะไรหุ่นยนต์มีความสุขไหมหุ่นยนต์ไม่มีความสุขแต่พระละหันมีความสุขนะมีความสุขที่สุสดเลย งัเรอย่าไปวาดภาพพระอริยะบุคคลไว้พิ่คนพิการเหมือนคนพิการกระดุกกระดิกไม่ได้คิดว่าถ้ากระดุกกระดิกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามีตัณหาครอบงำนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วพระโสดาบันนะคือผู้ที่ละความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นตัวเรานะพอละความเห็นผิดตรงนี้ได้การปฏิบัติการภาวนาก็ไม่ออกนอกลู่นอกทาง รู้ว่าต้องคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆไปนะถึงยังเห็นจะเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ความยึดถือยังมีอยู่เพราะ ง, งั้นพระโสดาบันรู้ว่าต้องรู้กายต้องรู้ใจต้องเจริญสติปัฏฐานต่อไปนะจนวันหนึ่งหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเห็นหมพระโสดาบันละสกยัตทิฏฐิไดนะ้คือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ละวิจิกิจฉานะไม่ลังเลสงสัย ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ราศีละพระตะปรามาศไม่ถือศีลบําเพ็ญลดแบบงมงายคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วจะดีพรนะโสดาบันจะรู้ว่าทําอะไรก็ไม่ดีหรอกทําอะไรก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติมีแต่การเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสสนา น, นี i แหละที่จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ดันะั้นจุดสําคัญเลยก็คือ ถ้าเราต้องการเป็นพระโสดาบันนะเราก็จะต้องละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราให้ได้ถ้าละไม่ได้ก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้ละสักยัติที่ดีได้ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็หมดไปเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงพระธรรมคืออริยสัจนี่เป็นเรื่องจริงพระสงฆ์ก็คือใจของเราซึ่งเดิมเป็นปูดุชนนั่นเองแต่ศึกษาธรรมะจนเข้าใจธรรมะนะจิตใจก็เป็นพระสงฆ์นะ ถ้าศึกษาต่อไปจนถึงจุดสุดขีดนจะพบความอัศจรรย์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็อันเดียวกันอันนี้เรายังไม่เห็นไม่เป็นไรนี่ทำยังไงเราจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราความเห็นผิดชื่อมันก็บอกแล้วว่าความเห็นผิดไม่อยากเห็นผิดก็ต้องเห็นถูกอยากเห็นถูกก็ต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถึงจะเรียกว่าเห็นถูกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อย ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกรู้สึกกายรู้สึกใจศัตรูของการรู้สึกกายรู้สึกใจมีสองอย่างอย่างที่1คือใจลอยไปเผลอไปอย่างที่สองคือเพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งผิดความเป็นจริงความเป็นจริงของเขาต้องเป็นไตรลักษณ์ต้องไม่เที่ยงไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เที่ยงเพ่งเก่งๆก็รู้สึกมีความสุขความเป็นจริงคือกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ เพ่งเก่งๆก็รู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้ทั้งๆ ท, ที่ความเป็นจริงนั้นเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นการที่เราไปเพ่งๆ เ, เนี่ยทําให้เราเห็นสภาวธรรมไม่ตรงตามความเป็นจริงการเพ่งก็เลยปิดกั้นการเจริญปัญญาเอาไว้การเพ่งมีประโยชน์ในแง่ทําจิตใจให้สงบมีพลังแต่เมื่อจิตใจสงบแล้วมีพลังแล้วต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาเคลื่อนไหวทํางานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆ ถ้าตามรู้ไปเราถึงจะเห็นความจริงของเขาว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะเราะนั้นอย่าไปเพ่งเอาอย่าไปใจลอยทุกคนใจลอยตลอดเวลาอย่างที่หลวงพ่อพูดตะกี้นนะตั้งแต่เกิดจนตายก็มีแต่หลงอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้กายรู้ใจไดนะ้นั้นให้มาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรูนะ้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะก็เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้เป็นอย่างอื่น อย่างเห็นกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรนี้เป็นสมถกรรมฐานนะเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นแค่สมถกรรมฐานถ้าเห็นกายเห็นใจนี้เป็นไตรลักษณ์หรืจะเป็นวิปัสนาเราต้องดูให้เห็นไตรลักษณ์ถึงจะละความเห็นผิดได้วันหนึ่งก็รู้ถูกเห็นถูกเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีจริงๆหรอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของง่ายนะง่ายมาก คนนอกศาสนาพุทธก็ทำได้เขาเห็นได้แต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่คําสอนในศาสนาพุทธเท่านั้นถึงจะทาให้เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้ น, นั่นต้องมีสติรู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, รสกเรื่อยๆไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้แก้ไขเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเพื่อจะให้เหนือความจริง หลายคนภาวนามุ่งให้เหนือความจริงเช่นภาวนายัางไงจิตจะมีความสุขถาวรจิตจะสงบถาวรจิตจะดีถาวรส่วนใหญ่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้อยากได้สุขถาวรสงบถาวรดีถาวรคำว่าถาวรไม่มีในโลกนี้งั้นมันสุขได้มันก็ยังทุกข์ได้มันดีได้มันก็ชั่วได้สงบได้มันก็ยังฟุ้งซ่านได้งั้นอย่าได้ปรารถนาแค่ความสุขความดีความสงบ พวกเรามาภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงความจริงคือสัจจะคือธรรมะให้เห็นความจริงของตายของใจพอเห็นแล้วเนี่ยจิตใจจะคลายความยึดถือเป็นลำดับลาดับไปนะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นลำดับลําดับไปยึดมากก็ทุกมากนะเพราะว่ามันหนักยึดน้อยลงมันก็ทุกน้อยลงใจมันเบาขึ้นเบาขึ้นจนวันนึงใจเราร่อนเลยนะใจเราไม่ติดกับอะไรโดยที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาอีกแล้วนะ ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรมีแต่ความสุขอยู่ในตัวเองอิ่มเอิบเบิกบานสดใสราบซ้านะนี่ชักง่วงแล้วต้องเปลี่ยนเสียงเทศแล้วนะ <c oughs> ม่เทศทีไรทาตั้งแต่ต้นจนจบหลวงปู่ดูลัณฑสอนนะบอกว่าเวลาแสดงธรรมนะต้องแสดงให้ครบนะอริยัปฏิบัติปฏิเวทเอาให้ได้ให้ครบถึงจะมีอัทรสของการฟังของการแสดงธรรม พวกเราบางคนไม่คุ้นไม่คุ้นที่จะฟังธรรมะที่บอกให้เจริญสติพวกเราชอบฟังเทศนาโวหารอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรนั้นไม่ควรอะไรเงี้ยนะเราคุ้นเคยธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างนั้นก็จําเป็นนะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยไม่พอกับโรคเชื้อโรคกิเลส ท, ที่รุนแรงนะธรรมะแค่นั้นไม่พอแล้วมาบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควรแล้วใครๆก็รู้ รู้จริงนะแต่มันสู้กิเลสไม่ไหวนะกิเลสมันรุนแรงตัวที่จะทำให้เราสู้กิเลสได้จริงๆคือสตินี่แหละนะที่จะขุดรากถอนโคนกันได้จริงๆนะมีสติรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราก็จะหลุดออกมาถ้าหลุดออกมามีความสุขนะวันนี้ทมิทเทศได้1ิบวันนาทีจบละ เอาใครจะคุยเชิญคุยสลับฉากบ้างนะมีไหมดูทีมงานเตรียมตัวไม่ทันหนยนะอย่าถามยากนะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดนึงจะคุยกับหลวงพ่อนะคุยเรื่องการเจริญสตินะเรื่องการปฏิบัตลิล้วนๆเรื่องผีสางลาง ไ, ไงไม้อะไรย่านะงงีงนะ้ไม่ต้องคุยนะดวงเมืองการเมืองอะไรนะไม่ต้องคุยอกหักรักสลาย แม่ยายดา่าพ่อตาเตะอะไรงี้ไม่ต้องมาเล่านะอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปเล่าที่อื่นนะบางคนมาเจอหลวงพ่ออนะไรพยายามจะมาเล่าเมื่อคืนนี้ฝันอย่างงน้นวันมันลืนนี้ฝันอย่างนี้ฝันเสียเวลานะเวลาของเรามีน้อยพวกเราแต่ละคนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้งั้นเราต้องรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะการฟัง เรื่องอะไรมีประโยชน์เรื่องอะไรไม่มีประโยชน์เรื่องที่มีประโยชน์คือเรื่องที่ฟังแล้วเราเอาไปปฏิบัติแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ก็คือเรื่องที่พูดไปแล้วสนุกสนานเลิ่เพลินยืดเยื้อยาวนานนะหาจุดจบไม่ได้เรื่องพวกนั้นอย่าไปเอามาคุยกันเสียเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาถามถามแต่ธรร ม, มะนะไม่มีถามหรอกสุขภาพท่านดีไหมอะไรเงี้ยจะดีได้ยังไงนะในเมื่อเราก็าเห็นอยู่แล้วว่าขันแต่ละคนก็เป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นนะ ก็จะไม่ไปถามหลวงปู่ครับสุขภาพสบายไหมอะไรเงี้ยไม่ถามถ้าจะถามก็เคยถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อครับเป็นทุกข์พอทนได้ไหมนะหลวงพ่อพุดยิ้มหวานบอกยังพอทนได้อยู่คนก็ว่าเราไปแช่งครูบาอาจารย์อีกนะไปถามท่านว่าเป็นทุกข์มากไหมงั้นอย่าเสียเวลานะเวลาแต่ละคนมีจํากัดศึกษา ให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เรื่องนี้สำคัญมากเรื่องที่เป็นประโยชน์คือเรื่องซึ่งเราเอาไปพัฒนาตัวเองได้เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์คือเรื่องที่ทำให้เนิ่นช้าเรื่องที่คุยแล้วเนิ่นช้าเนี่ยในศาสนาพุทธเรียกว่าตีละฉานกระถาตีละฉานว่าเดลฉานนั่นแหละตีละฉานกระถาไม่ใช่พูดเรื่องสัตว์นะไม่ใช่มีขาวมีดำอะไรไง้ไม่ใช่ตีละฉานกถาคือเรื่องโลกโลกเรื่องที่มันกวางการปฏิบัติ การเรื่องที่คุยกันก็เป็นเรื่องกระถาวัตถุเนี่ยกระถาวัตถุเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องมรคน้อยสันโดษเรื่องไม่คลุกคลีนะเรื่องการมีสติสมาธิปัญญาเรื่องวิมุตต์เรื่องนิพพานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจําเป็นในเบื้องต้นก็คือเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาไปลงมือทําจริงๆเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องทำนะต้องลงมือจริงๆ ฟังเล่นๆเฉยๆรับรองว่าสู้กิเลสไม่ได้ต้องลงมือดูกายดูใจไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถึงจะชนะกิเลสได้ต้องมีความอดทนนะความอดทนสําคัญที่สุดเลยฉลาดปราดเรืองมาฟังธรรมะไม่กี่ครั้งรู้ตัวตื่นขึ้นมาจิตตื่นรู้กายรู้ใจได้เสร็จแล้วขี้เกียจอย่างเนี้ยหาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้จริงหรอกนั้นต้องอดทนนะอดทนต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์บางคนครูบาอาจารย์สอนล้โมโหนะ โมโหโทสบางคนโกรธอาคาดแค้นหลายปีมาขอขามาทีหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็ขอขามารายวันรายเดือนนะเันต้องอดทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความยากลําบากนะการปฏิบัติธรรมบางทีก็ลําบากเหมือนกันขนะี้เกียจเนี่ยอยากจะนอนใช่ไหมก็ต้องคอยลุกขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจอะไรเนี่ยก็ อ, อดทน อดทนต่อกิเลสในเรื่องสำคัญมากเลยกิเลสจะลากเราให้ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเพราะหน้าที่ของกิเลสคือจูงเราให้ลืมกายลืมใจนะกิเลสจะคอยจูงตลอดเช่นโกรธขึ้นมาเราก็จะไม่รู้ว่ากำลังโกรธเราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธรักขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าจิตกำลังมีราคะเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักฟังธรรมะแล้วสงสัยเราจะไม่รู้ว่าจิตกาลังสงสัยอยู่นะเราจะไปคิด หาคำตอบเนี่ยกิเลสทุกตัวนะทำหน้าที่อย่างเดียวกันหรือความเบื่อหน่ายท้อแท้เกิดขึ้นนะทำให้ขี้เกียจ ด, ดูกายดูใจนะลเลยการปฏิบัตินันต้องอดทนนะอดทนต่อสู้ไปขี้เกียจก็ได้แต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกนีขี้เกียจก็ดูไปนะง่วงเหรอง่วงก็นอนแต่ยังไม่หลับก็ดูไปนะต้องอดทนนะต้องสู้ไม่ใช่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยเสียเวลาวันหนึ่งวันนึง ถ้าอดทนอย่างที่หลวงพ่อว่าได้นะการภาวนามันก็จะได้ผลเร็วการภาวนานจะได้ผลเนี่ยขั้นแรกสุดต้องรู้วิธีปฏิบัติก่อนเมื่อรู้แล้วนะต้องอดทนต้องพักเพียรต้องต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่ใช่ทําำหยุดหยุดนะทําำหยุดหยุดไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อที่หัดภาวนามานะครูบาอาจารย์ชมว่าทําได้เร็วเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยเลิกเลยตั้งแต่เด็กๆไปเรียนกับท่านพ่อรีท่านสอนให้ทําสมถะก็ทําสมถะไม่เลิก นะทาอยู่21 22ปีก็ไม่เลิกไปนะเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตั้งแต่นั้นดูจิตก็ไม่เลิกนะดูเรื่อยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ดูแลนะจกนกระทั่งหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนะี่ยไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้เพราะต้องไปรู้เรื่องราวที่คิดงั้นเวลาที่เราทำมาหากินนะต้องคิดไปเวลาแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาการงานครอบครัวล้วก็คิดไป แต่ถ้ากิเลแสแทรกขึ้นมาในใจแล้วให้มีสติรู้ไวๆเข้านะถ้าฝึกอยู่อย่างนี้ไม่ช้าหรอกหลวงพ่อกล้ายืนยันว่าไม่ช้านะไม่แพ้พระหรอกทุกวันทุกวันที่หลวงพ่อเปิดวัดที่ศรีราชานีจะมีพระเข้าไปเยอะแยะเลยแต่ละวันบางวันเยอะบางวันก็ไม่มากองค์สององพระบางองค์ท่านเข้าไปท่านบางองค์ท่านมาสารภาพทีหลังนะว่าท่านมาด้วยความพองท่านรู้สึกว่าท่านภาวนามาเก่งกล้าสามารถมากแล้ว เสร็จแล้วท่านก็มานั่งฟังโยมส่งกันบ้านท่านบอกท่านค่อยๆสั่นขึ้นทีละน้อยนะสั่นๆๆท่านพบว่าเอ๊ะทำไมญาติโยมภาวนาเก่งขนาดนี้ฟังนะแค่ฟังก็รู้แล้วว่าฝีไม้ไลายมือในการปฏิบัติของแต่ละคนนะ่ะขนาดไหนก็เนะลยเรียนท่านบอกโยมเข้าความทุกข์เยอะนะโยมต้องกระทบผัสสะที่รุนแรงถ้าโยมเจริญสติเป็น ปัสาที่รุนแรงนั่นแหละเป็นตัวสอนธรรมะให้อย่างเราภาวนาเราอยู่แต่ในวัดอยู่แต่ในป่าเงียบๆนะจิตนิง่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีอะไรกระทบอันนี้ดูยากมากเลยครูบาอาจารย์ถึงสอนให้พิจารณากายให้หา ง, งานให้มันทําเสื้ออย่าให้มันอยู่เฉยๆนั้นพระก็ต้องไปทําความสงบขึ้นมาพระไม่มีการมาสุขแล้วก็ทําความสงบจิตสงบใจเป็นความสุขแบบพระ สุขแล้วก็มารู้กายมารู้ใจไปโดยเฉพาะร่างกายต้องรู้เยอะๆจิตใจมันนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่แต่ญาติโยมเป็นอีกแบบหนึง่งญาติโยมนั้นกระทบอารมณ์รุนแรงทั้งวันนะตื่นนอนมาก็ต้องรีบตาลีตาลานไปทำงานใช่แย่งกันขึ้นรถแย่งกันอนะไรลำบากทำมาหากินก็แย่งกันต่อสู้เข้มแข็งดูเดือดนะประเภทเหลอนิดเดียวคลิปตาทีเดียวบริษัทเจ๊งไปแล้วนะ แพ้ยับเยินเพื่อน ญ, ญาติโยมเนี่ยมีผัสสะที่รุนแรงผัสสะที่รุนแรงเนี่ยมันทําร้ายคนซึ่งภาวนาไม่เป็นนําความทุกข์นําการบีบคั้นที่รุนแรงมาให้แต่สําหรับคนที่ภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัติแล้วผัสสะที่รุนแรงนั่นแหละคือครูที่สอนธรรมะที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเวล า, า, ามันกระทบอารมณ์นะใจเราจะกระเพื่อมขึ้นมานะ ใจก็เพิ่มขึ้นมาด้วยความดีใจบ้างด้วยความเสียใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างด้วยความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะด้วยความโลภความโกรธความหลงบ้างมันกระทบแล้วมันกระเทือนกระเทือนขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่กระเทือนขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะถ้ามีสติรู้ลงไปก็คือเหมือนคนทํากันบ้านอยู่ทั้งวันทั้งคืนแมนะ้นอนกลางคืนยังต้องคิดใช่ไหมจะทําทมาหากินอะไร ล, ลาบากลูกเต้าทํายังไงนะ ภรรยามีกิ๊กจะทํำยังไงอะไรเงี้ยเรื่องปวดกระบาลทั้งนั้นนะเป็นเรื่องสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนขยะนะไม่ดีแต่รู้จักใช้แล้วมีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นญาติโยมภาวนาเนี่ยถ้ารู้หลักของการปฏิบัติแล้วไม่ช้ากว่าพระนะหลวงพ่อกล้ายืนยันในขั้นต้นๆไม่ช้ากว่าพระพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระศึกนะนะเดี๋ยวจนึกว่าชวนพระศึกไม่ได้ชวน พรขั้นปลายๆเนี่ยคารวะทํายากนะกระทบภาษาที่หยาบตลอดเลยภาวนาไปนในขั้นละเอียดทํายากแต่ในขั้นที่หยาบหยาภาวนาในขั้นต้นนะโสดาสกาิทาคาอะไรเนี่ยเป็นคารวะเนี่ยทำได้นะไม่ได้ปิดกั้นนะธรรมะไม่ใช่เป็นของผูกขาดไม่ให้พระนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้กับบริษัทธ์ี่คือทุกคนนั่นเองนะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นคารวะก็ได้ฟังให้รู้หลัก แล้วก็รู้สึกไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระเทือนขึ้นมารู้ทันรู้ทันรู้ทันไปตามรู้ไปเรื่อยอย่าเข้าไปแทรกแซงห้ามแทรกแซงนะความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดว่าทํายังไงจะหายโกรธความโกรธเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกเห็นว่าเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธในความกวโกรธโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาเห็นไหมตามรู้ตามดูไปความโกรธที่มีอยู่ก็ดับไปเออความโกรธมันดับได้เองนะโดยที่เราไม่ได้ไปดับมันเข้า หรือบางทีเราอยากดับหาทางดับมันไม่ยอมดับใช่มมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะนี่ธรรมะดูอย่างนี้นะง่ายๆดูไปอย่างนี้แหละถ้าดูได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วจะได้ผลอย่างรวดเร็วไม่แพ้พระนะดูเข้าไปดูให้มากๆแล้ววันหนึ่งจะมีความสุขไม่รู้จะบอกว่าสุขแบบไหนนะ <c oughs> <c oughs> ครูบอาอจารย์เบอกมันสุขนะมันสุขเหมือนสมัยพุทธกาลก็มีพระอราหันต์องค์หนึ่ง เดินอยู่ในวัดนะเดินก็สุกจังเลยสุกจังเลยนะสุกหนอสุกหนออย่างเงี้ยท่านคงไม่ได้ว่าสุขหนอหรอกนะ ท, ท่านคงพูดภาษาแขกนะฝึกนะเรามีความสุข เ, เชิญถามได้กลับกลับพระอาจารย์ครั บ, ร บ, รบส่งการบ้านครั บ, ค, รบคือสังเกตว่าตอนนี้มีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดคือสภาวะธรรมนี้เกิดขึ้นเหมันเองอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วก็มันมัด ไม่ค่อยได้หยิบมันยังไงก็เอ อ, เ อ, อคือมีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดครับอาจารย์มาแล้วก็ไปมไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องต่อหน้า<ร>ต่อตาใช่ก็รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยดิ้นรนอืมก็อยู่เฉยมันก็มาละแล้วมันก็ไปละ<ม>ก็มันก็มีแค่นี้ใช่เราเรียนรู้ปไปเรื่อยนะคนทั่วไปมันก็คลุกอยู่กับโลกคลุกอยู่กับโลกปนเปอยู่กับโลก พอเราจเจริญสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นโลกอยู่ส่วนโลกนะโลกนี้ไหลามาไหลไปกิเลสไหลามาไหลไปธรรมะไหลามาไหลไปนะแล้วเราแค่แค่รู้สึกใจเราก็ถอยออกมาจากโลกมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันก็ขาดออกจากโลกเลยมันเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระหรือสภาวธรรมทั้งหลายร้วนแต่ไร้สาระไร้สาระเพราะไม่เที่ยงมั่งไร้สาระเพราะเป็นทุกข์บังางไร้สาระเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับม้าง ดีฝึกไปประคองมากไปนิดนึงนะระคองเยอะไปนิดนึงปล่อยซะปล่อยกลับน้สัส ก, การหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตามลูกกายตามรู้ใจมาระยะหนึ่งครับก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นถูกทางหรือยังครับถูกทางแล้วนะปฏิบัติไปเรื่อยๆครับนะแล้วมันจะถูกมากขึ้นมากขึ้น อย่างเราไม่เคยเห็นกิเลสเนี่ยพอเราหัดดูไปเรื่อยเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยครับเริ่ ม, มเห็นยมยมิ่งดีครับแต่เดิมเราจะนึกว่าเราเป็นคนดีไม่ค่อยมีกิเลสแต่พอเราหัดดูไปดูไปแล้วพบว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยเราร้ายกว่าที่เราคิดไหมนี่พอเราหัดรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยนะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดไปเรื่อยไม่อยู่ในโลกของความจริงเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับ รู้สึกไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปบมไม่ต้องแทรกแซงนะ so, ให้รู้เฉยๆอยากเข้าไปแทรกแซง <So. S 1> เดี๋ยวนะคนที่ใสแ่แว่นตานี้บังคับแรงไปนมร Seb สมกกรสรองพ่อเจ้าค่ะก็จะส่งกางบ้านก็ช่วงหลังๆรู้สึกว่าตัวเองรููตัวบ่อยขึ้นแล้วก็จิตชอบไปจม เลือนลอย<ม>อยู่กับอะไรบางอย่างบ่อยๆคือ<ม>ก็ไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรแต่คือจมบ่อยมากๆ<ม>ก็รู้สึกบ่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้น่าจะรู้ตัวบ่อยขึ้นแล้วอะค่ะ<ม>ก็อยากถามว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนําแล้วก็ให้การบ้านเพิ่มไหมเจ้าคะก็ทําเป็นแล้วหลวงพ่อก็แนะไปแล้วนะทําเป็นแล้วต้องขยันนะทําเนืองๆดูเรื่อยๆยัง<ๆ>ไม่มีอะไรต้องแบบติดขัดหรือว่าต้องแก้ไขใช่ไม้มไม่มี ถ้าใจของเราไปติดไปข้องอะไรแล้วเรารู้ทันไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะนใจมันจะไหลไปไหลไปนอนแช่นิ่งๆอย่างเงี้ยเราไม่ชอบรู้ทันว่าไม่ชอบนะใจเป็นกลางกับมันตัวนี้ก็ใช้ได้ละแต่ถ้าไหลไปแล้วเราไม่ชอบเราพยายามดึงอันนี้ใช้ไม่ได้ละมีการกระทำที่เกินจากการรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สภาวะแล้วนะจบลงที่การรู้จริงๆไม่ได้ทาอะไรต่อ อันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะยกตัวอย่างอย่างใจลอยไปบางคนพอรู้ว่าใจลอยจะต้องดึงดึงกลับมาแล้วมันจะมาแน่นๆอยู่ที่กลางหน้าอกเนี่ยแน่นๆแข็งๆอึดอัดนะอันนี้ทำผิดความจริงแล้วถ้าใจลอยแล้ว ร, รู้ว่าใจลอยนะยอมรับสภาพไปว่าตะกี้นี่ใจลอยไม่ทำอะไรนะใจจะรู้ตื่นเบิกบานในฉับรันนั้นเลยหรือบางคนภาวนาแล้วมันง่วงซึมนะ พยายามต่อต้านพยายามฝืนฝืนฝืนอย่างนี้ปวดหัวไปเลยอย่างนั้นไม่เรียกว่าใจเป็นกลางซึมซึมรู้ว่าซึมอย่าง่นั้นะและใจเป็นกลางนะมันรู้สึกถึงความเป็นกลางมันจะเป็นกลางพอดีเป๊ะเลยคําว่ารู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้แปลว่ารู้อยู่ข้างในถ้ารู้อยู่ข้างในก็ไม่เรียกว่ารู้เป็นกลางในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้ไปอยู่ข้างนอกมันก็แค่รู้สึกแล้วก็ไม่ได้หลงยินดียินร้ายเป็นกลางต่อความรู้สึกนั้นแหะมันถึงจะเป็นกลางจริงๆ ไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะเป็นกลางจริงๆแต่ก่อนหลวงพ่อภาวนาวก็ทําผิดเหมือนกันนะหัดดูหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราส่งเข้าข้างในส่งเข้าไปอยู่ข้างในไปดูเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ภายในเราไม่รู้ทันว่าจิตถล่มเข้าไปข้างในนะวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านก็บอกให้บอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ฟังทีแรกไม่เข้าใจว่าทําไมให้มาอยู่นอกๆที่จริงเราหลงเข้าไปติดอยู่ข้างใน นี่พอเรามาอยู่นอกๆ น, นานไปนะเราทิ้งสมถะงั้นคนไหนทำสมถะได้อย่าทิ้งนะสมถะมีประโยชน์มากเลยพอเราดูจิตดูใจหรือดูกายก็ตามเนี่ยแล้วม่หมดกําลังจิตมันจะเป็นว่างๆอยู่ข้างนอกไปว่างๆแช่แช่นิ่งๆอยู่ข้างนอกแล้วก็รู้สึกเหมือนอยังรู้ตัวอยู่คราวนี้รู้สึกเหมือนรู้ตัวทั้งวันทั้งคืนนะเราก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละวันหนึ่งก็สงสัยนะทําไมมันอยู่ตรงนี้ได้เป็นปีๆไปนะเจอท่านอาจารย์มหาบัวไปถามท่าน ท่านบอกว่าที่บอกว่ารู้จิตอยู่ไม่รู้จริงหรอกมันออกนอกไปแล้วมันนอกๆไปแล้วท่านให้บริกรรมท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมกำกับลงไปที่รู้นี่อีกไม่ได้นี่หลวงพ่อมาลองบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะอูดมีแต่ความทุกข์เหมือนโลกจะแตกรู้สึกว่ามันไม่ถูกกระจริแตแล้วก็มาสังเกตทําไมท่านให้บริกรรมสังเกตไปสังเกตไปถึงได้รู้ว่า ใจของเราไม่ตั้งมั่นจริงใจเราไปอยู่ข้างหน้านิ่ ง, งแ que, ๆแช่ๆอย่างเงี้ย <hein. S 1> พวกเราภาวนาถึงช่วงหนึ่งเป็นทั้ทุกคนนะฟังไว้ก่อนนะคนไหนยังไม่เป็นมันจะรู้สึกมันรู้ตัวอยู่ใ้ทั้งวันเห็นแต่เกิดดับทั้งวันแล้วก็มีแต่ความสุขอยู่อย่างนั้นนะสุขอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าใจมันหลงออกไปละไปหลงอยู่ในความว่าง ๆ, ๆนิ่งๆนะให้ใจมันไม่ย้อนเข้ามาดูกายดูใจไม่ได้เลยไม่เห็นทุกข์เพราะฉั้นต้องต้องย้อนเข้ามาเห็นกายเห็นใจนะมันถึงจะเห็นทุกข์ ถ้ามันเผลอเพลินไปอยู่ในความว่างๆนี่ไม่เห็นทุกข์นี่บางคนไปสอนกันนะบอกให้ทําจิตอยู่กับความว่างเนี่ยชอบไปอยู่กันตรงนี้เยอะแยะเลยะว่างอยู่งั้นได้เป็นปีๆแล้วคิดว่าเป็นพระละหันนะไม่หันหรอกอยังหันซ้ายหันขวาอยูนะ่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจารย์ก็ว่าพระละหันแล้วนะตีกับสามีเพื่อนๆก็บอกเธอเป็นพระละหันแล้วเธอไปตบตีสามีนะนี่ฉันตีเป็นกิริยานะ ตีไปอย่างงั้นแหละตีตีด้วยจิตว่างจิตว่างมันตีไม่ได้นะจิตว่างตีไม่ได้งั้นเราหัดสังเกตไปเรื่อยใจของเราเนี่ยเขาจะปรุงแต่งสภาวะตลอดเวลานะเขาจะปรุงอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันนะไม่ใช่ปัญหาถ้ารู้ไม่ทันจิตก็ไปติดไปคล้องอยู่นะไปแช่ไปนอนนิ่งๆอยู่ดูออกไหมจิตเขาไปนอนแชนะ่เออถ้าถ้ารู้ว่าจิตไปนอนแช่อยู่ไม่ใช่ปัญหา ไม่ต้องแก้ไขมันแก้ของมันเองนะจิตมันแก้ของมันเองเราไม่ต้องไปช่วยมันแก้เข้าใจไหมธรรมส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะเคยไปส่งการบ้านการหลวงพ่อที่สนสันติธรรมมาก่อนนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังเพ่งอยู่หนูก็เสียใจไหมตอนนั้นจิตตกเหมือนกันค่ ะ, อะตอนนี้ก็เลยไปดูใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันคลายออกอแต่ก็ หนูไม่แน่ใจว่ามันคลายออกจริงหรือว่าหนูชินกับความเพ่งไปแล้วมันใครออกนะรู้สึกไม่เป็นเบามันโล่งเห็นไหมกิเลสมันเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาคถ้าไปนิ่งๆอยู่นะทั้งวันกิเลสไม่เกิดหรอกก็นิ่งๆอยู่งั้นนะ่ะกลายเป็นว่าเราเป็นคนดีแล้วไม่ดีจริงนะอย่างนั้นเข <laughs> าเรียกว่าหินทับญ้ากแล้ว <laughs> ไม่ทราบหลวงพ่อมีกันบ้านจะให้ไปดูอะไรหรือทำอะไรเพิ่มเลยรู้ปัจจุบันไป รู้กา ร, รู้ใจลงปัจจุบันไปรู้ไปเรื่อยรู้แล้วไม่แทรกแสงรู้แล้วจบลงที่รู้นะไปฝึกเอาแล้วตอนนี้มาถูกทางแล้วสิถูกสิ <พอ S 1> มาสาราลุงชินได้ก็ใช้ได้แล้วกราบ <c oughs> นรรมสการนะคะเนื่องจากโจมเองมาวันแรกแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะม า, มาได้รู้จักกับหลวงพ่อค่ะเพราะได้ฟังซีดีแล้ว เกิดความรู้สึกว่าสงสัยในตัวเองว่าขนาดนี้ตัวเองปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถูกทางหรือไม่นะไม่แน่ใจแล้วเกิดการสับสนนะคะนขนานี้<ม><ม>ปิวิธีง่ายๆ<อ>นะวิธีที่ง่ายมากเลยว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกก็คือเราเราเห็นสภาวะไหมสภาวะที่เห็นง่ายๆคือพวกกิเลส ท, ทั้งหลายแต่ละวันเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นบ่อ ย, อยๆมเห็นค่ะถ้าเห็นนะ <c oughs> ใช้ได้ดูไปเรื <c oughs> ่อยๆ ไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดนะแต่ภาวนาว่าพอกิเลสเกิดปั๊บรู้สึกปั๊บรู้สึกไปเรื่อยทีนี้ที่โยมสงสัยก็คือว่าฟังจากเนซีดีแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคำบริกรรมเนี่ยจริงๆไม่ควรจะมี ใช่ไหมคทีนี้ตัวเองเนี่ยบริกา ร, รอยู่ว่าพองยุบพองยุบนะคะแต่ว่าจะจะตามดูรู้อยู่ตลอดเวลาในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ามีเสียงมามาสัมผัสที่หูก็จะบอกว่ายินหนอทีนี้ไม่แน่ใจว่าคําบริกรรเนี่ยควรจะมีไหมในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยคะ่ะงงนะคะคือในเบื้องต้นนะจะบริกรรมไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่พอขึ้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยจะต้องไม่มีคําบริกรรม การขึ้นวิปัสนาจริงๆเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าตอนนี้เราขึ้นวิปัสนาจริงๆวิปัสนาแท้ๆเนี่ยนะจะเกิดเมื่ออันแรกเลยเรามีสติที่แท้จริงเกิดขึ้นนะอันที่สองในขณะที่สติระลึกรู้สภาวะสติระลึกนะไม่ใช่สติกำหนดนะสติระลึกรู้สภาวะนะั้นะจิตของเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่พวกเราที่ขึ้นวิปัสนาไม่ได้เนี่ยอันแรกเลยสติของเราเนี่ยไม่ได้ระลึกรู้อารมณ์ แต่เราเอาสติไปเพ่งจ้องไปกำหนดใส่ตัวอารมณ์อารมณ์มันก็จะนิ่งๆิ่งไปสติก็เหมือนเป็นสิ่งที่บังคับได้นี่ตัวที่หนึ่งที่พลาดกันมากตัวที่สองก็คือจิตของเราไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์แต่จิตของเราไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เรียกว่าเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์ตั้งมั่นกับตั้งแช่นี่ไม่เหมือนกันอย่างเป็นต้นว่าบางคนรู้ลมหายใจจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตมันจะอยู่ต่างหาก เห็นร่างกายนิหายใจไปใจเป็นคนดูร่างกายนิหายใจหรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างนี้ใช้ได้หรือดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายมันพองมันยุบใจเป็นแค่คนดูนะส่วนที่ตั้งแช่ก็คือพอรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดิน er จงกรมจิตไหลไปรวมอยู่ที่เท้าโลกนี้เหลือแต่เท้าเนี่ยถ้าอย่างนี้คือสมถะ ไม่ได้ขึ้นมีปัศนาจริงเราต้องหัดรู้สภาวะให้ได้เพื่อให้สติเกิดต้องหัดรู้สภาวะนะถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติถึงจะเกิดสติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดเหตุให้เกิดสติคือจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆอย่างเวลาที่โยมนั่งนั่งอยู่แล้วใจแอบไปคิดใจไปคิด ในขณะที่จิตนี้ไปคิดนั้นเป็นจิตอกุศลเป็นโมหะโมรจิตชนิดอุทัจจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไปแอบไปคิดแล้วในขณะนั้นไม่มีสติหรอกนะขณะถัดมาเกิดะระลึกขึ้นได้มีสติะระลึกได้ว่าเมื่อกี้นี้จิตหลงไปคิดในขณะนี้จิตจะตื่นขึ้นมาช่วงขณะแวบเดียวตื่นขึ้นมาช่วงขณนะถัดจากนั้นโยมก็ไปคิดหนอคิดหนอนี่เป็นการบริกรรมนะการบริกรรมไม่ใช่วิปัสสนานะตกจากวิปัสสนาล้ ไม่ได้สมรรถะแต่เบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นบริกรรมแต่ว่าต้องรู้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นกําลังปรากฏอยู่เช่นความโกรธเกิดขึ้นจะโกรธนอโกรธน้อแล้วค่อยดูที่ความโกรธไปสังเกตออกความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่อยๆรู้ไปเห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่โกรธนอโกรธนอเพื่อให้หายโกรธ ถ้าโกรธเนอโกรธเนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หายโกรธนั่นคือสมถะถึงไม่บริกรรมว่าโกรธหนอนะไปท่องสูตรคูณแทนสองหนึ่งสองสองสองสี่ก็หายโกรธเท่าๆกันนั่นแหละเพราะมันคือสมถะดังนั้นหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ถ้ารู้สภาวะไม่ได้ในขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหลวงพ่อคะข้อที่สองนะคะที่อยากจะถามมีสองข้อคะ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อที่1เนี่ยฮะว่าถ้าเราทานอาหารเจนะคะ เราถือว่าเราเบียดเบียนสัตว์หรือไม่คะเราควรจะหันมาทานอาหารเจหรือมังสวิรัติไหมคะเจกับมังสวิรัติมันแยกกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อไม่เข้าใจนะกินผัก<ม>นะ<า>นจริงๆคือนอไม่ทานเนื้อสัต ว, ไนนตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์นะถ้าไม่ทานแล้วสุขภาพดีก็อย่าไปทานมันนะจริงๆเราไม่ได้กินสัตว์นะเรากินวัตถุ แต่ถ้าเรากินสัตว์เราเห็นสัตว์เป็นๆอยู่างเนี้ยอยากกินสั่งให้เขาเชื่อันมาให้กินอย่างเนี้ยเราเราฆ่าสัตว์นะจริงๆแล้วอาหารทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาหรอกแต่อาหารมันเหมาะกับธาตุกับขันของร่างกายแต่ละคนอันนี้ก็ต้องดูบางคนกินอาหารชนิดนี้แล้วอืดอัดภาวนายากแน่นท้องอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปกินมันนะนั้นการที่กินมังสวิรัตก็ไม่ได้ทําให้รู้ทำเร็วกว่าไม่ได้กินมังสวิรัต นะไม่งั้นวัวควายบรรลุแล้วนะไม่กินเนื้อเลยนะแล้วกินผักก็เบียดเบียนสัตว์นะเขาฆ่ า, า, มาแมลงเยอะแยะเลยนะจริงๆแล้วเรากินอาหารเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะถ้ากินเนื้อสัตว์ยังไงก็บาปแต่กินอาหารไม่บาปหรอกคือพระพุทธเจ้าท่านกาหนดไว้ให้แล้วเราเป็นสาวกสาวกก็ต้องเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอน ท่านให้เนื้อสัตว์นั้นมีความบริสุทธิ์เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเราไม่ได้ยินดีอะไรเงี้ยเราอย่าไปบัญญัติอะไรที่ท่านไม่ได้บัญญัติไว้แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเองเรากินแต่ผักแล้วจิตใจเราสงบร่มเย็นเรารู้สึกสบายใจแล้วก็กินผักไปเพราะเห็นว่ามีประโยชน์นะผมหมอบุญรักษ์ฮะได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปี ตอนหลังนี่ก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อรวกทั้งฟังซีดีด้วยแล้วก็ลองปฏิบัติตามรู้สึกว่าบางวันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีเลยไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าซีดีนะถ้าถ้าโยมภาวนาแล้วดีทุกวันยังไม่ดีแน่เลยนะโยมเห็นไหมว่ามันจเจริญแล้วเสือเ่อมเจเลยแล้วเสื่อมนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อท่านอาจารย์สิงห์ทอง อาจารย์สิงห์ทองเนี่ยภาวนาเก่งนะอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าธรรมชาติของจิตจเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมอะไรที่ยังจเจริญได้อันนั้นยังเสื่อมได้เะฉะั้นการภาวนาเนี่ยบางวันนะสติเกิดทียิบเลยใจตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานบางวันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นจิตใจมันไม่ยอมภาวนาเนี่ยเขาสอนธรรมะเราตรงที่เขาจเจริญเห็นไหมเราไม่ได้สั่งเขาจเจริญได้เองตรงที่เขาเสื่อมเรารักษาไว้แทบตายมันก็ยังเสื่อมได้เอง เนี่ยมันจะค่อยๆสอนเราจนเราหมดความลำพองใจว่าเราเก่งเราไม่เก่งจริงเราบังคับไม่ได้เนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามนี่ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเจริญก็รู้เสื่อมก็รู้เจริญแล้วหลงยินดีก็รู้เสื่อมแล้วหลงยินร้ายก็รู้ตัวที่สําคัญก็คือรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาบางคนพอมันเสื่อมไปคือช่วงนั้นสติไม่ค่อยเกิด ทุรนทุรายขึ้นมามันจะเสื่อมนานหลายเดือ น, นมันคนเสื่อมเป็นปีเลยแต่บางคนใจถึงเห็นว่าวันนี้ไม่มีสติเลยก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีสติใจเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานในฉับรันนั้นเลยอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกลางไหมถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะนะมันไม่เจริญไม่เสื่อมอ่ะดีนะโยมภาวนาดีดีใจด้วย กับนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมเคยไปสมกันบ้านที่สวนสถิธรรมอค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าโยมยังจงใจปฏิบัติอยู่ค่ะไม่ทราบว่าดีขึ้นหรือยังคะแล้วโยมว่าดีไหมโยมก็ว่าดีขึ้นค่ะแต่ใจยังไม่เป็นกลางอะค่ะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้ใช่เจ้าค่ะถ้าอยากเป็นกลางใช้ไม่ได้อยากเป็นกลางนั่นแหละไม่เป็นกลาง <c oughs> ใช้ได้ดูไปได้ แต่ถึงช่วงหนึ่ง จ, จิตจะฟุ้งซ่านนะพอปล่อยตรงไหล่ที่เพ่งไว้สักช่วงหนึ่งมันจะฟุ้งซ่านให้ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปหรือหรือว่าทําในรูปแบบอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะการปฏิบัติในรูปแบบช่วยให้เรามีกําลังถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบดูอยู่ในชีวิตประจําวันลูกเดียวเลยนานๆไปไม่มีแรงเราไม่มีแรงแล้วมันเหมือนรู้แต่มันไม่รู้จริงมันรู้อยู่นอ ก, นอก อย่าหลงไปอยู่กับความสุขดีใช้ได้ความจริงนะโยมต้องการคำเดียวนะดี <c oughs> ถ้าหลวงพ่อบางทีกว่าจะตอบนะบางคนหลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมอธิบายธรรมะไปนะใจโ ย, ยมจะค่อยแป้วไปเรื่อยๆเข <c oughs> บอกเออดีแล้วสบายใจสบายใจเป็นทุกคนแหละนะหลวงพ่อแต่ก่อนฝึกหัด ไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งกันบ้านนะท่านว่าดีเราก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะท่านว่าไม่ดีเราก็ชักงงแล้วว่าจะทำยังไงครูบาอาจารย์แต่และองค์ไม่เหมือนกันหรอกบางองค์ท่านก็บอกให้ตรงๆเลยว่าผิดตรงนี้ผิดตรงนี้แต่ว่าหายากที่จะบอกกันส่วนมากชอบบอกแบบเป็นปริศนาลายแทงของมังมหานรทาแบบนั้นนะ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วก็ต้องไปคิดอีกนานเลยกว่าจะรู้เรื่องอย่างหลวงปู่สิมนะ มีคราวหนึ่งภาวนาแล้วจิตรวมลูกเดียวทํำยังไงไงก็รวมแบบรวมแบบสลบอะ่ะหัวสูกหัวซนหมดความรู้สึกเลยตลอดเวลาขนาดเดินจงกรมก็เป็นนั่งขัดสมาธิเพชก็เป็นทําไงก็เป็นไปถามท่านว่ามันเป็นอย่างนี้จะแก้อย่างไงท่านตอบว่าอย่สงสัยอะไรทําไปสนะิครูบาอาจารย์นั้นไม่บอกง่ายต้องตีความมากมาย หรือหลวงปู่ดูลนะสอนอะไรนะสอนเหมือนกับชี้แลนด์มาร์เท่านั้นนะ่ะไม่บอกวิธีไปอ่ะชี้เป้าต่อไปอยู่ตรงนู้นที่ชี้เป้าทีเดียวพรวดสุดท้ายเลยหนะลวงปู่ดูลดาทางให้คลำเอาเองคราวที่แล้วไปหาที่สวนเศรีธรรมมาครับแล้วหลวงพ่อให้ดู3ามอย่างซึ่งตอนนั้นก็ฟังไม่แน่ชัดว่าคือคือ3ามอย่างอะไร ให้ดูสามอย่างในจิตนะครับแล้วทีนี้ก็ดูไปจิตมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้นี่ตอนนี้ก็เห็นแล้วสามอย่างนะที่หลวงพ่อให้สังเกตดูก็คือมีมีอย่างแรกคือเวทนาที่เกิดแล้วก็มีมีจิตที่คิดดีเอที่คิดไม่ดีเอออย่างนั้นได้แล้วตอนนี้มันมันโผล่มาเป็นห้าหรือหกแล้วประมาณนั้นไม่เป็นไรมันมีมันมีได้ทั้งหมดทั้ง7จดบสองตัวน่ะมีห้าหกตัวก็ให้มันดูไป แล้วแล้วมันมีเหตุบางอย่างที่สงสัยอยู่อะฮะเลยเลยวแล้วมันยังหาคําตอบบางอย่างเหมือนกับเหตุการณ์บางอย่างมันจิตมันมันบอกให้ไปเองให้ไปตรงนั้นได้ไปตรงนี้แล้วบางอย่างมันเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันมันจําเป็นต้องไปยังไงประมาณนี้ยรัก็อย่าไปเชื่อมันใช้เหตุผลเอาถ้าเหมือนกับบางอย่างเหมือนก็ตัดสินใจแต่เราไม่อยากไปอ่ะครับอืมมันจะเลิกบอกสัต่งเราดูเหตุผลนะใช้เหตุผลเอา บางทีจิตมันก็สอนขึ้นมาได้บางทีกิเลสมันก็หลอกเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปเชื่อทุกสิ่งที่จิตสอนเพราะจิตของเราเนี่ยมันยังไม่แน่นอนยังเชื่อถือไม่ได้จริงดูเหตุผลนะดูเหตุผลแล้วเวลาผมไปพบอาจารย์สายกรรมฐานนะครับแล้วเวลากขเพ่งจิตมาที่ผมมาผมสั่นใจสั่นตัวสั่นเราดูจิตของเราอย่าไปดูท่าน อ๋อ oh, ได้ครับเราไปดูถ้าเราก็ิดเปิดประตูรับ mm hmm. เพราะงัน้นต่อไปใครมาเพ่งใส่นี่นะเราก็แค่รู้สึกของเราไปดูใจเราไม่ไปดูเขานะมันจะทะลุผ่านไปเฉยเกราบนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะอยากขอโอกาสจากหลวงพ่อสักสองสมข้อเจ้าค่ ะ, ะประการแรกอยากจะเป็นประจักษ์พยานนะคะว่า ที่ผ่านมาเคยเข้าคอสประมาณ2ครั้งกลับมาชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงค่ะโกรธก็ยังโกรธอยู่แล้วก็บางครั้งก็โกรธรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่ณวันนี้ค่ะมีจิตใจที่เบาสบายค่ะโปร่งโล่งแล้วก็ที่เห็นได้ชัดนะคะจากที่เคยมีโทสะในการเลี้ยงลูกตอนนี้ เรารู้ว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นของเราแล้วพยายามเข้าไปจัดการเมื่อไม่ได้ดังใจก็รู้สึกโกรธไม่พอใจแต่นะวันนี้การจัดการยังมีอยู่ค่ะแต่มุมมองของความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเกิดมีขึ้นทําให้ทุกอย่างสอนแบบสอนเขาแบบกาลยานามิตรนะคะตักเตือนแล้วก็ค่อยคคิดค่อยๆ่ไตรตรองไปชีวิตเปลี่ยนไปค่ะประการที่สองลูก ตัวโยมเองเนี่ยปฏิบัติในรูปแบบนะคะก็จะเป็นลนักษณะของการสวดมนต์ เ, เกือบทุกวันแล้วก็จะเป็นนั่งสมาธิดูจิต ด, ดูใจไปค่ะในชีวิตประจำวันก็เห็นกิเลสเกิดดับเห็นพยายามมองพยายามดูตัวคิดค่ะพยายามดูตัวคิดแล้วพยายามดูตัวเผลอนะคะซึ่งไม่ทาไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าใหดูให้สบายๆนะ ต้องดูอย่างสบายถ้าดูแล้วจงใจดูเนี่ยมันจะเครียดยังจงใจเหรอเจ้าคะ่ะมีนิดหน่อยนะแล้ว เ, เจ้าค่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือว่าหลวงพ่อพูดว่า เ, เวลาที่เกิดอิเลอยังเช่นว่าเรามีโมหะเราง่วงหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะไม่ให้ไม่ให้ตามไม่ให้หลงตามแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ไม่ให้ตรึงเอาไว้<อ>ไม่ทราบว่าจะวางจิตวางใจตรงไหนคะ จิตใจมันเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นแล้วตามดูไปนะอย่าไปปฏิเสธมันแล้วอย่างนี้ง่วงก็หลับไปได้啊คะได้ถ้าร่างกายต้องการพักผ่อนก็หลับไปนะมีอาจารย์เซนสอนนะบอกว่าถ้า ง, ง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินฟังแล้วดูไร้ายอนาคตนะถ้า ง, ง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินท่านไม่ได้บอกว่าถ้าขี้เกียจก็นอนใช่ไหมถ้าตะกระก็กินท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเพนะร่างกายเนี่ยมันต้องการพัก เราก็อย่าไปฝืนมันแต่เมื่อมันพักนะพักเพียงพอแล้วเนี่ยใจเริ่มตื่นขึ้นมาเราก็ดูของเราต่อไปเลยแต่มันขี้เกียจสิคะขี้เกียจไม่ใช่ง่วงตรงนี้ก็ก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราขี้เกียจนะคะถ้าทันทีที่สติระลึกรู้ความขี้เกี ย, นะกยจะ น, นะนะความขี้เกียจจะดับทันทีสติแท้ๆเกิดขึ้นมาเพราะความขี้เกียจเป็นกิเลสแต่ง่วงไม่ใช่กิเลสแต่ก็ไม่งั้นก็ไม่ให้ตาม ไม่ตามไปแต่บางคนต้านง่วงก็ฝืนฝืนฝืนนัก็ปวดหัวนะค่ะเพราะฉั้นเวลาที่สภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ต่อต้านอย่างบางคนเวลาจิตจะรวมแล้วฝืนแล้วปวดหัวเลยหรือจิตรวมอยู่แล้วอยู่ๆจะดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาก็ปวดหัวเลยอันนี้ไม่ดีให้เขารวมก็รวมของเขาเองเขาถอยขึ้นมาก็ให้เขาถอยของเขาเองมันจะสบายๆไม่ต้านมัน แต่ก็ไม่ได้คล้อยตามคล้อยตามที่พอรวมไปแล้วเพลิดเพลินพอใจแล้วก็พอใจไปกับเขาด้วยยินดีแช่อยู่ตรงนั้นได้นานๆหลายวันเด้ออีกข้อหนึ่งคื อ, เ, อเคยฟังซีดีพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าลองสังเกตดูสิว่าตื่นเช้าๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนจิตไปควานควานหาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ไม่ควานแล้วมันต้องยังไงคะไม่ได้มันต้องควาน <laughs> ถ้ามันไม่กวนมันเป็นเท่าระหันนะเพราะฉะนั้นจิตเรามันยังมีอาวิชาอยู่<ะ>พอตื่นปั๊บเนี่ยพอเราไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติพอตื่นปั๊บเนี่ยจิตต้องวิ่งหางานทําล้วนี่ถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติพอตื่นนะจะรีบกวนหาจิตไว้ก่อนจะเอาไว้ดูกวนะหรือพอตื่นขึ้นมาอุ้ยร่างกายเป็นยังไงเนี่ยจะจงใจดูห้ามไม่ได้หรอกแค่แค่รู้ทัน แต่การที่หลูกพ่อบอกว่าตอนตื่นขึ้นมาแล้วรีบรู้ทันการทำงานของจิตเนี่ยมันมีประโยชน์มากเวลาที่จิตเราไปติดอะไราบางอย่างแล้วเราไม่รู้ทันนะบางคนจิตไปสว่างจ้าอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะจ้าสบายดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าเข้าไปติดได้ยังไงแต่ถ้าดูตั้งแต่ตื่นตอนตื่นนอนนะพอตื่นปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยจิตจะขยับตัวกุ๊กิ๊กกุ๊กิกกจ้าเรียบร้อยละ เนี่ยจะเห็นตั้งแต่ต้นทางที่เขาทำดูกระบวนการที่เขาปรุงสภาวะหรือพบอันนี้ขึ้นมาพอเรารู้ทันว่าเขาปรุงด้วยวิธีนี้ต่อไปมันจะไม่ไปปรุงพบอันนี้ขึ้นมาไม่ปรุงอย่างอื่นแทนปรุงอย่างอื่นแทนอืแล้วก็ดูต่อไปก็ดูไปดูไปเรื่อยๆจนมานหนึ่งฉลาดนะรู้เลยว่าทั้งกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วนั่นละความปรุงแต่งถึงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นแจ้งในอริยสัจนะยังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษเป็นตัวเราความปรุงแต่งก็จะมีอยู่เรื่อยๆไปถ้าตราบใดที่มีอวิชชานะสังขารก็จะมีอยู่ความปรุงแต่งก็จะมีแต่ถ้าสังขารมันปรุงแล้วเรารู้ไม่ทันใช่ไหมจิตเข้าไปยึดไปถือก็เป็นภพอันหนึ่งขึ้นมาจิตก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นแล้วจิตก็มีความทุกข์หลวงพ่อมีอะไรแนะนําโยมเพิ่มเนะติมเยอะแล้วนะ ไปดูเอานะได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะใจซึ s <S มนิดหน่อยใจยังซึมอยู่ดูออกไหมหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้เลิกอ่อว่าไปน้ำมศการพระอาจารย์นะคะไหนๆอยู่ไหนค่ะคือคือขอค่ะ เป็นตัวแทนขอกราบแทนผู้ที่อยู่ทางไกลด้วยนะคะเขาอยู่เยอรมันนะคะแล้วก็อยู่ที่ขอนแก่นด้วยะค่ะคือได้ส่งเอกสารแล้วก็พวกซีดีต่างๆไปให้เขาอ่ะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็บ้านอารีแล้วก็สาลาลุงชินนะคะก็พวกที่อยู่ขอนแก่นนี่เขาไม่เคยรู้จักพระอาจารย์มาก่อนนะคะแต่ก็ได้ส่ง ซีดีไปให้เขาที่เขาสนใจตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไปนะคะแล้วก็เขาสนใจนังอยากได้หนังสืออริยสัจค่ะที่ เ, ออเยอรมันก็ส่งหนังสืออริยสัจไปให้อะะาจารย์ก็จะเรียนถามพระอาจารย์นะคะก็คือตัวเองนี่ตั้งแต่ตื่นนอนทุกมาก็จะเห็นจิตของตัวเองนะคะไหลไปอยู่ที่ความคิดนะคะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มากระทบ อารมณ์นะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะส่งไปต่อที่จิตนะคะก็จะเห็นวันหนึ่งก็จะเห็นมีกิเลสมีความพอใจไม่พอใจแบบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆะคะ mm ่ะ hmm. คือไม่กล้าเข้าไปถล่าลึกนะคะเพราะว่ากลัวกลัวจะเพ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็กลัวจะจะจ ะ, จะติดอยู่ที่ตรงนั้นนะคะ ก็สองสาเดือนก่อนพระอาจารย์บอกว่าเป็นคนที่แบบจิตยังติดนิ่งอะคะ่ะก็ อ, อยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ะคะว่าตอนนี้จิตยังติดนิ่งอยู่ไม่จิตนะ <c oughs> ตอนนี้จิตฟุง้ง <c oughs> ดูออกไหมเออมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนะมันนิ่งก็รู้ว่านิ่งมันตื่นเต้นด้วยเออตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้น <c oughs> เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะจับหลักให้แม่นๆ่นแล้วตอนนี้ ภาวนาใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ไปติดทื่อๆอย่างแต่ก่อนที่เราไปติดทื่อๆแต่ก่อนเนี่ยเรานึกว่าเป็นการปฏิบัติความจริงมันขวางการเจริญปัญญารู้สึกไหมมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกไม่มีเกิดดับให้ดูแต่ตอนนี้มันเห็นแต่เกิดกระดับเกิดดับตลอดเวลารู้ไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อให้เอาดีนะไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามเผลอไม่ใช่แต่ฝึกไปจนมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลย ผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเพราะดีก็ไม่เที่ยงกลับ ข, ขอบคุณจ้ะต้องมีอะไรแก้ไขไหมคะพระอาจารย์<ม>จะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะไม่แก้สินะแต่จัดการกับความคิดที่ว่าทํายังไงแล้วจะดีทํำยังไงก็ไม่ดีจ่ไว้นะว่าทําก็คือปรุงแต่งถ้ารู้ทันความปรุงแต่งถึงจะดี ข, ขอบคุณจ้ะ คือผมปฏิบัติโดยการใช้วิธีดูริมฝีปากหรือไม่ก็ดูการกระพือที่หน้าผากครับเหมือนมีอะไรแปะแล้วก็ดูกระพือแล้วก็นั่งสมาธิไปก็รู้ว่ามันมันรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกแคบเข้ า, ามาครับและอีกแบบหนึ่งคื อ, อมองดูกายกับใจเป็นภาพรวมเลยดูกาเกิดพุทซึ่งกันและกันอันนี้แบบที่สองครับแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็คือ ใช้วิธีดูริมฝีปากหรือแม่ก็ดูการกระพือของที่หน้าผากหรือปลายจโมโูกครับคือสงสัยว่าข้อแบบที่หนึ่งนี่เป็นการเพ่งไปหรือเปล่าครับลองทําให้หลวงพ่อดูซิแบบที่หนึ่งเพ่งนะเห็นไหมเราดัดแปลงเราไม่ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่เราไปดัดแปลงจิตใจเรานะอ้าวแบบที่สองแบบที่สองต้องใช้เวลาครับแต่คือจะมองมองภาพรวมไปเลยครับอ ล, ลองลองทำให้หลวงพ่อดูซิ ทำเหมือนหลับก่อนนะคล้ายๆกับเกือบหลับแล้วครัอ๋อต้องหลับแล้วเหรอคือจิตมันเหมือนกับเกือบหลับนะครับอ๋อพยายามรู้สึกอยู่ปกตินะพยายามแล้วแบบที่สามคือแบบที่3ามคือใช้ชีวิตจําบันก็คือดูริมฝีปากดูแม่กะดูการกระพือของที่หน้าผากหรือปลายจมูกครับไหนลองทําให้หลวงพ่อดูซิแบบที่สามเนี่ยจงใจแบบที่สามคือจงใจคือแคือแบบที่1ครับคือใช้แบบที่หนึ่งแต่แบบที่2เดี๋ยวทําดูครับพยายามรู้สึก กายตามที่เขาเป็นรู้สึกจิตใจตามที่เขาเป็นนะอย่าไปดัดแปลงมันโอ้ทำแบบที่สองดูครับเออนั่งไปนั่งทําแบบที่สองไปเอาไมค์ให้คนอื่นเขาไปก่อนหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านสองเรื่องคะ่ะเออหนูจะบอกว่าบางทีเนะนี่ยแป๊บนึงนะเอาของคุณลืมตาขึ้นมาถ้าดูอย่างนี้นะอย่าให้ใจเคลิม้ม ดูแล้วใจอยู่ห่างออกมานิดนึงแล้วก็เห็นเขาทํางานไปเห็นเขาเคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมากระดุกกระดิกดูอย่างนี้ได้แต่แต่ถ้ากดลงไปเคลิบลงไปนิดหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วอา้าวช่วยเอาใหม่ไปไหนคือแบบนี้ก็คือดูดูแบบภาพรวมแล้วก็ดูพื้นของมันเกิดขึ้นเองอ่าดูดแบบสูสบายๆนะครับคือตัวแบบนี้มันจะหลุดออกไปบ่อยครับอย่าอย่าอย่ากดก็แล้วกันครับมันกดนิดนึงครับอ้าวเชิญ คือมีอยู่คงคงมีหลายวันแหละแต่แต่หนูก็คือมีวันนึงอะค่ะที่มันจะมีความอารมณ์เกิดพร้อมๆกันมากกว่าหนึ่งอารมณ์มันเกิดสักสองสามอารมณ์อะค่ะหนูคิดว่าแล้วหนูก็เลยลองไปดูที่ใจปรากฏว่าหนูมีความรู้สึกว่าพอหนูไปดูที่ใจอะมันเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่อะ่ะมันปิดประตูดับไฟปิดหน้าต่างหมดเลยแล้วหนูก็ รู้สึกว่าอารมณ์สองสัมตัวนั้นมันอยู่ข้างนอกอพร้อมๆกับหนูก็จะรู้สึกว่ามันมีเวทนานี้ต้องเจ็บปวดหมายความว่าอย่างนั้นไหมคะเป็นความรู้สึกอื่นได้ไหมคะใ น, ในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยนะมันมีสภาวธรรมจํานวนมากเกิดขึ้นร่วมกันนะหนูจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในในกายหนูก็รู้ รู้ไปพร้อมๆกับที่หนุ่มก็รู้สึกว่าอารมณ์นั้นมันอยู่ไม่ใช่อยู่ในใจแต่มันอยู่ข้างนอกคือรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้จิตจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงเนี่ยจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแต่เดี๋ยวมันรู้ตรงโน้นเดี๋ยวมันรู้ตรงนี้การที่มันรู้ตรงโน้นทีตรงนี้ทีอะไรเนี่ยเราก็รู้ทันไปว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ภาพรวมของมันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ ต้องดูจนจบไหมคะอย่างที่ ม, มันอ<ด>ยู่ในกายมันไม่มีวันจบนะเพราะาขันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ดูไปจนจบนะแต่ดูไปจนเข้าใจคำว่าดูจนจบของหนูจะหมายความว่าความรู้สึกที่เกิดในกายขณะนั้นนะคะหนูก็ดูอยู่ว่ามันเกิดอยู่แต่ว่ามันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่หนูไม่ได้ดูจนมันหายไปแลก็ไปทาอย่างนเร า, าไม่สามารถไปดูอย่างนั้น คือบางครั้งสติมันก็เปลี่ยนไประลึกอันอื่นแล้วใช่ไหมมันก็เลยดูอันนี้ไม่จบมันก็ไปดันอื่นการที่มันไปดันอื่นก็คืออันนี้จบไปแล้วอ๋อค่ะแล้วอันที่สองค่ะหลวงพ่อเวลาหนูนั่งวิปัสสนาพอหลับตาป๊บมันก็จะเห็นดำๆพวามมืดแต่มันก็จะอยู่แค่แค่ตาเราอะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งอะค่ะหนูหลับตาป๊บ หนูก็จะรู้สึกโหวยวันนี้ยสบายมองอะไรได้กังกว้างๆแต่มันก็เป็นสีดาอ่ะแล้วหนูก็มองไปเรื่อยๆมองมองอย่างสบายมากเพราะว่ามันมองได้ไกลๆ<ม>แล้วแป๊บหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกําแพงอากาศ<ม>แต่มีความหนาแน้นมากกว่า<ม><ม>อากาศอ่ะทั้งหมดนั่นมันไม่ใช่วิปัสสนานะหรอคะอแล้วเราหนูนั่งดูไปสักพักหนึ่ง มันเหมือนมีตัวเองพูดขึ้นมาว่าหนูหลงดูอยู่อ่ะเออนั่นแหละเห็นไหมจิตมันเริ่มฉลาดแนละ้วเหมือนเริ่มสอนแล้วแล้วหลงนะใช่หนูก็ออรู้สึกตัวแล้วก็เห็นอาการที่ตัวเองหลงอะคะ่ะ อ, อ่าถ้าอย่างนั้นใช้ได้เลยแล้วอย่างนี้คือคือหนูก็เลยลืมตาไม่ไม่ดูต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าเออนี่หลงนี่หนู ก็คือหนูต้องไม่ดูต่อใช่ไหมคะก็อย่าไปหลงต่อสินะแต่หลับตาต่อไปก็ได้หลับตาได้หลับตาหรือลืมตานะไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาแต่วิปัสสนาไม่ใช่ไปเห็นโน้นเห็นนี้วิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเท่านั้นะแล้วทําไมมันไปเห็นนะคะอันนั้นเป็นผลของสมถะหนูไม่เคยทําสมถะนะหลวจิตมันติดสมถะนะแถมจิตมีโมหะเยอะด้วยมันจะมัว มันมืดๆถาหลับตาไว้มืดๆใช่พยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวให้ชัดๆรู้สึกตัวให้เข้มแข็งกว่านี้อีกตอนนี้รู้สึกตัวอ่อนไปโมหะมันแรงไปเนี่ยใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมให้รู้อย่างนี้นะรู้ทันลงไปเลยใจที่ฟุ้งก็รู้เลยเนี่ยคล่ำครวนแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่จะพูดเฉยๆแต่จะคล่ำครวนรู้สึกไหมรู้สึกหนูจะถามว่าแล้วที่สุดหนู ต้องทำสมถะด้วยใช่ไหมคะถึงจะ<ำ>ดีกว่าน <ทำ S 1> ี้คือทำได้ก็ควรทำนะแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่แน่ใจเพราะไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยเดี๋ยวจะนั่งไปดูอะไรต่ออะไรยุ่งใหญ่เพรานะฉะนั้นพยายามพุโทโธไว้ก็ได้พุโทโธมันไม่มีนิมิต hmm. พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนะเวลาใจฟุ้งซ่านก็พุโทโธเร็วๆใจสงบใจสบายแล้วก็พุโทโธช้าๆกราบนมันสการครับอ า, อาการสมรถะวสี แล้วจิตไหลรวงนี่สังเกตยังไงครับว่าอย่างไงนะเดี๋ยวเอาหมซิอาการของสมถะแล้วาสีแล้วก็จิตไหลลวงนี่สังเกตยังไงครับางง อ, าอาการของสมถะ ส, ส, งงาาสมถะ ม, มันก็อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของมันนะคือเพื่อความสุขเพื่อความสงบนะวิธีทำสมถะก็คือให้ใจเราเนี่ยคเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ที่สบายสบายอันเดียวต้องสบายนะเคล็ดลับอยู่ที่สบาย อย่าบางคนรู้ลมหายใจแล้วใจสบายรู้ลมหายใจแล้วจิตมันจะสงบเวลารวมมันรวมอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนะมันไม่ใช่รวมแบบเคลิ้มๆ ล, ลงไปขาดสติวสีมันเป็นความชนานาญของการเข้าฌานไหนลองทำให้ดูสิทำได้ไหมเนี่ยจิตจิตมันเอาภาพไปเอา ไ, อาไม้ให้คนอื่นไปก่อนไปกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือว่าช่วงนี้จะปฏิบัติถ้าเกิดวันไหนจเจริญสติดีๆค่ะก่อนนอ น, น, นคุณรู้สึกไหมใจมันสายใจมันใส่คุณให้รู้ว่าใจสายเลยน ะ, จะเจริญปัญญาไปเลยน ะ, จะเจริญปัญญาสําคัญกว่านะคืองานหลักของเราจริงๆคือการจเจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนางานสนับสนุนเนี่ยคือการทําสมถะทําสมถะเพื่อให้มีกําลังให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะมาทํำวิปัสสนา เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณนั่งไปปุ๊บใจคุณส่ายแล้วคุณมีสติตามรู้ใจที่ส่ายเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้มันส่ายไปส่ายมาเนี่ยเรามีสติตามดูไปอย่างนี้อย่างนี้ได้ประโยชน์มากกว่านะนี่เราตามดูไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันจะต้องการพักมันจะว่างลงไปเฉยเสว่างว่างว่างนิ่งๆิ่งว่างวพะนั้นมันจะทําสมถะของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจิตเดี๋ยวก็จะเดินมีปัญญาเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นการบังคับไม่ได้ บางทีจิตก็ไปทําสมถะไปนิ่งไปว่างอยู่จะพลิกไปพลิกมาดังนะั้นการปฏิบัติเนี่ยจะมีหลายแนวทางนะที่พระนอนท่านบอกอันนึงใช้ใช้สมาธินําปัญญาอันนี้อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำทำสมาธินะแล้วมาเจริญปัญญารู้กายไปอีกอันนึงใช้ปัญญานําสมาธนะิคือจิตใจของเราเป็นยังไงเรามีสติตามรู้ไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังอีกอย่างหนึ่งอย่างที่คุณทําตะกี้เนี่ย เป็นใช้สมาธิและปัญญาควบกันไปนะเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่อย่างนี้เราเห็นเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะดูไปถึงช่วงหนึ่งจิตเขาต้องการพักผ่อนเขาจะไปนิ่งว่างขึ้นมาถ้านิ่งว่างแล้วเราไปยินดีพอใจก็ให้รู้ว่ายินดีพอใจนะมันจะไม่ได้ไปติดอยู่ในความว่างนะแต่ถ้าไม่รู้ทันว่ายินดีพอใจจะติดในสมถะติดความว่างเพราะั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะตรงจิตไหลรวมฮะ นนดดมันรวมเองรวมเองนะมันมันไม่หล่นวูบลงไปนะมันจะรู้<ม>เนื้อรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่วูบหมดสติอย่างนี้ไม่ได้นะหล่นวูบแต่เป็นแน่นฮะ ห, หล่นวูบแต่เป็นแน่นเหมือนไปนอ๋<ว>อไม่ไม่ใช่รวมจริงเป็นสมถอะออไม่ไม่ใช่สมถะที่ดีนะะสมถะที่ดีรวมลงไปแล้วมีความสงบความสุขความโปลง่งลงเบาสบายถ้ารวมแล้วเนี่ยอย่างนี้ไปอัดไว้อย่างนี้ไม่เรียกว่าจิตรวม เรียกว่าเราไปรวมจิตมากกว่าไปรวมอัดเข้ามาอ้าวเชิญค่ะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเจริญสติทั้งวันหรือว่าโดยเฉพาะก่อนนอนนะคะเพราตอนนอนจะเห็นว่าเวลาขยับตัวก็จะรู้ตัวค่ะเหมือนจะจิตจะตื่นทั้งคืนอย่างนั้นนะคะก็ถูกแล้วแหละภาวนาแล้วเราจะรู้กายรู้ใจนะรู้ทั้งวันทั้งคืนที่สำคัญนะรู้ทั้งหลับทั้งตื่นด้วย ค่ะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วไปส่งกันบ้านมาหลวงพ่อบอกว่าหนูติดนิ่งอะค่ะก็ช่วงนี้ถ้าเกิดพอจะทําสมาธาิเมื่อไหร่ก็จะดูจิตนะคะว่าเริ่มจะเริ่มเข้าไปรวมอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ดีนะตอนนี้ไม่ติดอ๋อค่ะค่ะแล้วก็คือว่าสงสัยว่ช่วงนี้ที่มีความสุขอะค่ะมันเกิดจากสติหรือว่าเกิดจากกําลังของสมาธิอะเกิดจากสติอ๋อค่ะตอนนี้ก็โอเคขึ้นใช่ไหมครับค่ะอโอเค <laughs> ก็ไม่มีอะไรต้องเพิ่มแล้วใช่ไหมคะไม่มีนะไม่มีการเพิ่มนะมีแต่รู้ทันความปรุงแต่งแล้วเลิกความปรุงแต่งไปเองมันเลิกไปเองเราหลงอยู่กับความปรุงแต่งไปเรื่อยนะไม่รู้จักจบจักสิน้นให้รู้ทันจิตที่มันปรุงแต่งไปเรื่อยมันจะเลิกปรุงแต่งค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกทางหรือเปล่าคะถูกทางแล้วขอบคุณค่ะจิตตื่นแล้วดูไปนะจิตมันตื่นแล้วเราก็ดูไปด้แต่ว่ามันหลับได้อีกมันยังหลับได้อีกนะเพราะมันยังไม่เที่ยงยังเป็นโลกียธรรมอยู่เพราะะนั้นเวลาที่มันตื่นขึ้นมามันเจริญขึ้นมาเรายินดีก็รู้ทันเสื่อมลงไปเรายินร้ายเราก็รู้ทัน ในที่สุดไม่ว่ายินดีหรือยินร้ายนะเกิดมาเราก็รู้ทันแล้วมันดับหมดใจก็เป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมใจเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ใจเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลทั้งหลายสรุปแล้วก็คือใจเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างชั่วคราวเพราเราภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายที่จะภาวนาได้ก็คือจิตมันจะมีปัญญาเป็นกลาง มีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยความปรุงแต่งทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้จิตจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วจิตไม่ปรุงต่อพอความปรุงแต่งนั้นดับลงไปแล้วจิตไม่ได้ปรุงต่อนี่มันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งที่เห็นนิพพานได้เวลาสมควรมครับ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 ยะถาว่าริวหาปูราปริปูเรนตีสาขังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปติตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตูมาเตปวัดวันตรารโยสุขีทีคายุโกภาวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง